ก็กราบบูชาพระธนทรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแตนหลวงปทีหลวงพ่อคำเขียนก็กราบครวะพระอาจารย์วัฒนชัยพันเตเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรมายังแม่ชีอุบาสกุบยาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะอ่า <c oughs> uh, วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะที่ห กระกฎะาคมนะพุทธศักราช2557นะวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นนะสำหรับกรุ่มปฏิบัติธรรมประจำเดือนนะซึ่งเท่าที่ทราบก็มากันเกือบ80คนนะมีตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบนะเรียกว่าน้อยที่สุดแล้วก็สูงที่สุดอายุ89 ข่าวนี้มากันตั้งแต่อยู่น้อยๆ น, นะแล้ววันนี้เราก็มีภิกษุใหม่2รูปนะก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีภิกษุใหม่หลายรูปนะมาร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันนที่วัดป่าสุขกโตไม่ว่าจะนุ่งชุดอะไรก็ตาม น่าจะนุ่งชุดพระหรือชีหรือเป็นญาติโยมก็ตามน่ะเข้าใจว่าเราน่าจะมีจุดประสงค์ร่วมกันน่ะมีเป้าหมายร่วมกันนะที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราก็จะมาปลดเปลื่องนะความทุกข์นะที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานะที่เราได้สวดสาธยายมนต์ไปเมื่อสักครู่นี้ นระสงค์เป็นผู้ที่หาทางที่จะปลดเรื่องความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจออกไปถ้าเราลองมาพิจารณาดูาชีวิตของเราตั้งแต่เกิดนจนถึงปัจจุบันนี้ลองถามตัวเองที่ว่ามีความทุกข์มากกว่าหรือน้อยกว่าความสุข หลายคนคงจะได้คำตอบนะว่าเฮ้มันทุกมากกว่าสุขนะหรือบางคนอาจจะมีสุขมากกว่าทุ ก, ก็ได้นะแต่ความทุกเนี่ยมันเป็นความจริงอะนะมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราก็สัมผัสมันอยู่ได้ทุกเมื่อเช้าวันนะอย่างวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะบางคนอนาะจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัว นะอากาศร้อนอ้าวนะพอได้ไปอาบน้ําก็รู้สึกเออสบายตัวขึ้นหน่อยนะแล้วก็มาไหว้พระสวดมนกันนะคนจํานวนมากนะมันก็มีไอร้อนออกมานะนี่ก็เป็นความทุกขนะ์ทางกายซึ่งทุกทางกายเนี่ยมันก็บรรเทาไดนะ้มันก็แก้ไขได้นะแก้ไขในที่นี้ก็คือมันบรรเทาไปเท่านั้นเองใช้พัดลมเป่า เรกว่าใช้ความอดทนนะเราก็รู้สึกพอไปได้นะหรืออย่างเราหิวนะเราก็กินดื่มนะมันก็ช่วยบรรเทาความหิวลงไปนะหรือถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็อดทนนะพอได้อยู่นะแม้ว่ามันจะไม่หายเด็ดขาดทีเดียวทุกทางกายเนี่ยนะมันบรรเทามันแก้ไขนะมันช่วยให้ผ่อนคลายได้บ้าง นะแต่มันไม่หายไปทีเดียวหรอกนะเดี๋ยวมันก็หิวอีกพอกินไปอิ่มอาหารย่อยเสร็จอา้าวถึงเวลาพรุ่งนี้เช้าก็หิวอีกแล้นะเรียกว่าความทุกข์ทางกายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทุกข์ประจําสังขาร น, นะเป็นทุกข์ที่มันมีอยู่นะจนกว่าเราจะตายนั่นแหละนะความเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็เหมือนกันนะเนี่ยมันก็มาเป็นครั้งเป็นคราว ความทุกข์ทางกายเนี่ยนะสามารถที่จะบรรเทาแก้ไขได้นะโดยการที่หิวก็กินกระหายก็ดื่มนะง่วงก็นอนคําว่าง่วงก็นอนในที่นี้หมายถึงง่วงตอนกลางคืนนะไม่ใช่ง่วงตอนกลางวันนะบางคนบอกง่วงกลางวันก็นอนนะก็บอกง่วงก็นอนเพราะนั้นเรามาอยู่ที่นี่นะเราตั้งใจที่อยากจะมาเรียนรู้ นะเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจของเรานะตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องฝึกฝืนฝึกฝนหน่อยนะอย่าไปทำอะไรตามใจเราเคยมีชีวิตอยู่ในสังคมในโลกเนี่ยเราเคยทำอะไรตามใจมานะรักความสบายนะความสบายเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เรานะทำอะไรตามใจแล้วก็ไม่ค่อยเข้มแข็ง นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้บางทนะีเราก็รู้สึกมันไม่ได้อะไรที่ดังใจหวังหรือว่าสมใจหวังนะตรงนี้ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทางใจนะซึ่งทุกข์ในใจนี่แหละนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้เท่าทันนะอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดความทุกข์ชนิดนี้เนี่ยนะเป็นทุกข์ที่เราสามารถที่จะ แก้ไขได้แล้วสามารถที่จะปลดเปลื้องได้นะ่ะมันมันสามารถที่จะปลดเปลื้องได้ไม่เหมือนทุกทางกายทุกทางกายในมันหิวก็ต้องกินกายก็ต้องดืง่มแต่ทุกทางใจนะที่เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะ่ะมันไม่สมหวังมันไม่สมใจนะ่ะมันไม่ได้ดังหวัง นะหรือว่าปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ความทุกข์ชนิดนี้สังเกตดูนะมันเป็นทุกข์ที่จอรไปจอรมามันไม่ได้เป็นทุกข์ตลอดเวลาหรอกนะเพียงแต่ว่าเราไปหวนระลึกถึงเราไปคิดถึงมันเช่นอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจนะตั้งแต่ใ น, นอดีต นะบางทีเราทำไปไม่ถูกไม่ต้องทำไปในสิ่งที่ไม่ดีนะมันก็ระลึกขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายใจอีกหรืออาจจะเป็นเรื่องดีๆก็ได้ความสำเร็จในชีวิตนะเราเรียนจบได้รับปริญญาได้งานทำนะเราก็ภูมิอกภูมิใจนะหรือว่าได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยงามนะเราก็เก็บมาระลึกนะก็เป็นความสุข นะที่มันมีมาจากในอดีตนะมันก็สามารถที่จะมาปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่สังเกตให้ดีนะมันก็จะทำให้เรามีความสุขมีความทุกข์นะเป็นความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะทีละเอ่อครั้งทีละคราวมันไม่ได้เกิดตลอดนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ย งาเราสามารถที่จะปลดเรื่องมันได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่เหนือความสุขและความทุกข์ได้ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยจะรู้จักอันความการที่จะอยู่เหนือความสุขและความทุกข์ส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่สุขกับทุกข์เพราะสุขกับทุกข์เนี่ยมันเห็นชัดการเหนือสุขเหนือทุกข์นั้นก็คือการที่เรามีจิตใจที่เป็นปกติเป็นธรมธรมดาธรรมดานี่ ขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยให้สังเกต ด, ดูใจของเราว่าสุขไหมก็ไม่ใช่ว่าทุกข์ไหมก็ไม่เชิงมันปกติเฉยๆอากาศร้อนร่างกายรู้สึกร้อนรู้สึกอบอ้าวแต่ใจเราก็ยังเฉยๆได้นากายมันร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนสังเกต ด, ดูดีๆนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยกายร้อนใจมันก็งุกหงิดไปด้วย นะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันจริงๆนะอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะรู้สึกไม่สบายนะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่รู้เท่าทันนะความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยนะสิ่งที่เราเรียกว่าการฝึกเจริญสติหรือนะบางทีเรียกกันภาษาเป็นวิชาการหน่อยนะกเรียกว่าฝึกกรรมาฐาน เท่าที่ได้สอบถามนะผู้ที่มาปฏิบัติในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เคยมีประสบาการณ์เคยฝึกกรรมฐานกันมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแม้แต่รูปแบบที่เราทำกันที่วัดป่าสุกโตนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้มีประสบาการณ์หรือพระที่บวชใหม่ก็ดีนะก็มีประสบาการณ์ในเรื่องเหล่านี้มาบ้างนะบางทีก็เป็น คนที่เคยเข้ากลุ่มปฏิบัตนะิแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อนะแล้วก็มีความตั้งใจนะมีความปรารถนานะที่อยากจะศึกษาให้มันต่อเนื่องนะให้มันเกิดผลแล้วนะก็ยอมเสียสละเวลายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะเรียกว่าทิ้งความสะดวกสบายที่เคยมีที่บ้านที่ทำงาน หรือในครอบครัวแล้วมาใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุกโตซึ่งการใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตไม่ใช่สะดวกสบายนะมันก็พอมีพอไปกันได้แต่เราถือว่าเรามาฝึกนะมาฝึกตัวเราเองมาฝึกอยู่ง่ายๆอาจจะไม่สรดกสบายเหมือนยังกับอยู่ที่บ้านไอ้การที่เรามาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันได้ฝึกจิตฝึกใจของเราให้ปรับตัว กายปรับใจของเราในสถานการณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มันร้อนนะหรือยุงมันชุ ม, นะมแมลงกัดต่อยนะหรือบางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะบางทีก็มีเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะได้มาฝึกนะมาฝึกตัวเราเองนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งในสภาพที่มันเราคาดไม่ถึง เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะจัดการได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยปรับตัวให้มันเข้มแข็งขึ้นการที่เราอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเวลาร้อนเราก็เข้าห้องแอร์เย็นๆได้มีน้ำแข็งเย็นๆกินสบายนะเราก็รู้สึกสบายตรงนั้นเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยมากๆนะเราก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอโดยไม่รู้ตัว ไปอยู่ที่ไหนที่ลําบากหน่อยไม่มีแอร์ไม่มีน้ําแข็งแล้วก็อยู่ลําบากนาะเนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะได้มีประสบะการณ์การอยู่ในที่ลําบากบ้างนาะตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราได้มีโอกาสที่จะฝึกความอดทนนาะแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมาเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยนาะเป็นสิ่งที่มันมีให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แต่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สัมผัสมันตรงๆเพราะว่าอะไรมันมีทางออกทางออกของเราก็คือเราก็ไปอาศัยวัตถุภายนอกบ้างอาศัยบุคคลภายนอกบ้างอาศัยกิจกรรมต่างๆบ้างน่ะทำให้เราลืมๆไปทำให้เราเพลินไปนะเวลาเราทุกข์เราหนักอกหนักใจเราเครียดนะเราก็ไปรื่นเริงสันทนาการนะแล้วมันก็กลบเกลือนไป ณวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันก็เลยไม่เห็นทุกข์ไงพอมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่หาทางแก้นะพูดง่ายๆก็คือไม่หาทางที่จะแก้เพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่วัดป่าสุโขโตเนี่ยนะมันจะทุกข์มันจะลําบากไอ้นี่แหละดีนะเป็นสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้นะว่าเออทุกข์นี่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีสาเหตุอะไรนะสาเหตุเนี่ย เราจะได้ไปแก้ไขเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางใจเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะโดยเฉพาะความทุกข์ทางใจถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ต่างๆกายมันอาจจะไม่สบายมันอาจจะทุกบนะแต่ใจเนี่ยมันจะคิดนึกไปต่างๆนานาปรุงแต่งไปต่างๆนานาถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะสร้างเรื่องราวมากมายนะเขาเรียกว่าเป็นภพชาตินะ ภพชาติในที่นี้ก็คือขณะจิตหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นภพชาติหนึ่งได้เราคิดในเรื่องดีๆจิตใจเราก็รู้สึกสบายปลอดโปร่งเป็นสุขนะอันนั้นน่ะเป็นสวรรค์ก็เรียกว่าสวรรค์ในอกเราคิดไม่ดีนะเรากลุ้มอกกลุ้มใจเราวิตกกังวลเราร้อนอกร้อนใจเรากระวนกระวายนั่นน่ะตกนรกแล้วนะภูมินรกล้เพราะนั้นนรกกับสวรรค์นี่ไม่ได้ไกลกันเลยนะ เพราะนั้นถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยนะโดยอาศัยเครื่องมือที่เราเรียกว่าสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเราเจนนรกสวรรค์ชัดเจนเลยและมันมีอีกอันหนึ่งที่มันมันไม่ขึ้นสวรรค์ไ ม, ไม่ไม่ตกนรกนะมันปกติเฉยๆะนะซึ่งตรงนี้แหละนะมันเป็นจุดที่เรียกว่าอุเบกขาเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวในความเป็นปกตินะหรือรู้เฉยๆคาว่ารู้เฉยๆนี้ไม่ได้เฉยแบบ ไม่รู้เรื่องนะเฉยแบบซื้อบือ้ออะไรเงี้ยนะที่เาเรียกเฉยซื้อบือ้ออันนี้เฉยแบบรู้เฉยพร้อมที่จะทำอะไรที่มันพอเหมาะพอดีงาในหน้าที่หรือสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้านาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องอาศัยเครื่องมือนาที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นนะก็ได้จากการที่เราฝึกเจริญสตินั่นเองความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในพวกเราทุกคนแต่ความรู้สึกตัวที่มีเนี่ยมันมีเท่าที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตตามปกติเนะี่ยเาเรียกว่าเป็นสติตามสัญชาตญาณหรือสติพื้นฐานเนะีเรารู้ว่าเราทำอะไรเรารู้ว่าควรทำอะไรรู้ว่างานที่ทำมีอะไรบ้างการจะพูดจะคุยการจะติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนนะี น, นี่ก็เป็นสติ นะหรือการที่เราจำสิ่งต่างๆได้สติอันนี้มันทำให้เราพอจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้พอสมควรแต่สติอันนี้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะที่เราจะไปรู้เท่าทันสิ่งที่มันไหวก็คือความคิดหรืออารมณ์เรารู้นะความโกรธนะไม่ดีแต่มันอดไม่ได้ทักทีหนึ่งโกรธขึ้นมาทีไรก็ต้องปึงปังออกไปทุกที ไม่ด่าว่าก็อาจจะลงไม้ลงมือนะแล้วก็เราก็มาเจ็บใจทําไมนะเราห้ามใจไม่ได้สักทีหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องมาฝึกสติที่มีเนี่ยให้มันฉับไวขึ้นนะเขาเรียกว่าการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยภาษาบาลีเรียกภาวนานะจิตภาวนาภาวนาคือพัฒนาภาวนาไม่ใช่บริกรรมนะ ไม่ใช่มาท่องคํานุนภาวนาคือพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันฉับไวขึ้นให้มันไวขึ้นธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างสิ่งที่แก้กันอยู่มีร้อนก็มีเย็นมีมืดก็มีสว่ามีหนักก็มีเบานะมีคิดก็มีไม่คิดมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีโดย ธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้กลไกตรงนี้เราไม่ทราบความจริงตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้อย่างความคิดเนี่ยหลายคนรู้นะว่ามันมีนมอยู่แล้วก็คิดว่าอยากจะไปควบคุมดูแลมันเช่นเวลานอนเนี่ยบางคนมีเรื่องคิดมากใช่ไหมนอนไม่หลับคิดฟุง้งซ่านใจมัน หยุดคิดมันหยุดไม่ได้คืนคืนนั้นก็นอนไม่หลับเลยนะตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเจริญสตินั่นเองตัวสติเนี่ยมันจะเป็นตัวแก้ความคิดนะเป็นตัวที่จะเข้าไปจัดระเบียบความคิดไปควบคุมความคิดความคิดเนี่ยนะการฝึกเจริญสติที่เราจะฝึกกันเนี่ยไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัว มันคิดได้คิดไปแต่เราไม่ตามมันและเราก็ไม่ห้ามมันด้วยคําว่าไม่ห้ามในที่นี้หมายถึงว่ามันจะคิดคิดไปแต่เราไม่ตามนะเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ไหนที่การเคลื่อนไหวหลายคนเคยฝึกอานาปนสติมาใช่ลมหายใจใหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็เป็นกายละเอียดนเป็นอาศัยการเคลื่อนไหวของลมหายใจ หรือบางคนจะฝึกโดยใช้คำบริกรรมยุบหนอป้องนอสัมมาหลังพุทโธอันนี่ก็เป็นอุบายของครูบาอาจารย์นาที่จะให้ใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะการนิจใจเนี่ยมันหลงไปกับความคิดนั่นแหละตรงนั้นหนะ้าที่ทำให้เราลืมตัวพอลืมตัวไปแล้วมันก็เกิดอารมณ์ต่างๆอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลง ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจมันหลงไปมันหลงไปในอารมณ์มันจมไปในอารมณ์แต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทำให้เราถอนตัวออกมาจากความพอใจและไม่พอใจจากความสุขความทุกข์นะแล้วก็ใจมันก็จะคืนสู่ความเป็นปกติตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่เรา เป็นเหตุผลสำคัญที่เราจะได้ฝึกที่เราจะมาฝึกจเจริญสติมาทำจิตภาวนากันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะก็จะมีจุดประสงค์ตรงกันตรงนี้นเพียงแต่ว่าหลายคนก็คงจะเคยไปฝึกมาแล้ว ไ, ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างได้ผลมากได้ผลน้อยก็แล้วแต่แต่ละคนคงจะมีประสบาการณ์แต่เมื่อเรามาที่นี่เนี่ยวิธีกา ร, การ ต่างๆที่เคยฝึกมาเนี่ยนะเราเอามาเป็นพื้นฐานเลยเอามาในการต่อยอดเลยนะเพียงแต่ว่าวิธีการที่เราเคยทำเนี่ยราวางไว้ก่อนนะมาที่นี่เนี่ยเราจะไม่เน้นการนั่งหลับตาไม่เน้นให้สงบนิ่งแต่ให้ลืมตาแล้วก็เคลื่อนไหวพลิกมือก็รู้สึกยกมือก็รู้สึก รู้สึกตัวนะยกมือไปเอามือมานะให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวทีละขณะทีละขณะเวลาเคลื่อนเนี่ยให้มีหยุดด้วยอย่าไปเคลื่อนโดยอัตโนมัติเพราะถ้าเราเคลื่อนโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะเพลินไปเพลินมันก็จะเผลอเผลอมันก็จะไม่รู้ตัวบางทียกไปเนี่ยคิดไปนูน่นคิดไปนี่ไม่รู้ทันนะเพราะนั้น ใหม่ๆเนี่ยทำช้านิดหนึ่งให้มันมีจังหวะพลิกก็รู้สึกยกก็รู้สึกเคลื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกรู้สึกตัวอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้นและไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่ามันจะต้องยกขนาดไหนจะต้องเร็วขนาดไหนช้าขนาดไหนยกธรรมดาธรรมดานั่นแหละนะเอาว่าเรารู้สึกตัวบางคนก็ยกเร็วก็เป็นเรื่องของเขาบางคนก็ยกชา้า ก็เป็นเรื่องของเขาเราดูตัวเราเองว่ายกตรงไหนพอดีพอดีมันรู้สึกตัวดีขณะที่ยกไปยกมาเนี่ยนะมันมีความคิดแวบขึ้นมาเนี่ยนะจะไปตามมันกลับมาตรงนี้กลับมาตรงที่การเคลื่อนไหวนี่ก่อนที่เราจะมาฝึกเนี่ยพอเวลามันคิดอะไรกับไปกับมันเลือเเล่อยะตะเหิดเปิดเปิงไปพาไปความคิดมันพาไปไม่รู้ถึงไหนถึงไหนแล้วต่อไปนี้ เราจะไม่เชื่อมันละมันคิดเราไม่ตามนะคิดขึ้นมาเมื่อไหร่กลับมารู้สึกตัวไม่ต้องไปหยุดความคิดนะบางคนบอกต้องหยุดความคิดก่อนแล้วค่อยกลับมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่สนใจมันเลยเดี๋ยวมันก็หายไปอะหายไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกมาใหม่กไม็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเราไม่สนใจไม่แยแสมันเนี่ยนานๆมันก็จะหายหายหัวไปเองอะเหมือนเพื่อนเราเนี่ยใช่ไหม เพื่อนมาเนี่ยถ้าเราไม่คุยเนี่ยในสุดท้ายเขาก็ไปเขาเองนะตรงนี้ก็เหมือนกันความคิดนะเพียงแต่ว่าให้เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆนอกจากการสร้างจังหวะแล้วก็มีการเดินหย่งกล่มนะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยทำสองรีบทนี้ให้มากทำตั้งแต่ตื่นยันหลับยกเว้นไปทานอาหารทำกิจวัตรส่วนตัว ตรงนั้นเราจะพยายามนะที่จะรู้สึกตัวในกิจวัตรประจำวันนะซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งเพราะนั้นในในส่วนของรูปแบบนะของการปฏิบัติเนี่ยสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยให้ขยันที่จะยกมือรู้สึกตัวขยันที่จะเดินด้วยความรู้สึกตัวนะมีบางคนนะขยันยกมือขยันเดินแต่ไม่รู้ตัวก็มี ตมกี้นี้กำลังพูดว่า <c oughs> ที่พวกเรามาที่วัดป่าสุกโตเนาะก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่อยากจะมาเจริญสตินะเพื่อที่จะปลดเรื่องความทุกข์นะออกจากจิตใจของเราความทุกข์ที่ว่านี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดความทุกข์ทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยาก แล้วเราก็แก้ไขไดนะ้แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันมองเห็นยากนะแต่มันก็ไม่ยากเกินเกินวิสัยนะของพวกเราที่สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาได้โดยเพิ่งยิ่งมาวัดป่าสุขโตเนี่ยเรามีเครื่องมือสาคัญนะที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ออกไปจากจิตใจนละก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัว แต่ความรู้สึกตัวนี้จะเป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการที่เราพัฒนานะพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่นะสิ่งที่ไม่อยู่คือความรู้สึกตัวตามสา ม, มัญตามที่มีอยู่เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพให้มันฉับไวขึ้นให้มันรู้เท่าทันกับความคิดกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเพราะความคิดปรุงแต่งนะ ทีนี้รูปแบบของการปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะก็จะมีอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักนะซึ่งซึ่งจะต่างไปจากวิธีการที่เราเคยได้เรียนรู้กันมานะที่ใช้นั่งหลับตาบริกรรมบ้างนะหรือว่าใช้ลมหายใจบ้างนะซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะวิธีการเนี่ยมันมีหลายวิธีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ที่เป็นที่รู้จักกันในยุคปัจจุบันนะ ในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราสามารถที่จะปรับเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เพราะว่าเราไม่ได้นั่งหลับตาเราไม่ได้นั่งนิ่งๆเรามีการเคลื่อนไหวทีนี้ตะกี้นี้พูดถึงว่าเรา <c oughs> มารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวโดวยเฉพาะการสร้างจังหวะหรือการเดินชงกลมเนี่ยโดยเน้นให้รู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อน การเน้นที่ความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนเนี่ยมันมันเห็นชัดมันชัดกว่าลมหายใจลมหายใจเนี่ยมันจะเบานะอาจาร์มาเคยฝึกสมัยที่ไปฝึกฝึกกรรมฐานใหม่ใหม่ก็ใช้ลมหายใจนะก็ก็ได้ผลที่เรามีความสงบในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเรากลับไปใช้ชีวิตประจำวันบางทีเราไม่ได้ฝึกต่อเราไม่ได้ทำต่อเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งนิ่งๆอะไรเี้ย มันก็เลยขาดตอนไปนะแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาต่อนเนื่องซึ่งจริงๆลมหายใจถ้าพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีนะหลังจากที่ได้มาเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยเออเราสามารถที่จะไปประยุกใช้กับชีวิตประจำวันได้นะโดยเพราะยิ่ยงการที่เรามารู้กับกายที่เคลื่อนไหวมือก็ดีขาก็ดีแขนก็ดีตรงเนี้ยมันชัด เรนะเรียกว่าเป้ามันใหญ่เหมือนเหมือนคนยิงธนูเนี่ยถ้าเป้าใหญ่โอกาสที่เราจะยิงถูกตรงกลางมันจะมีมากกว่าแต่ถ้าใช้ลมหายใจเนี่ยเป้ามันเล็กแล้วมันมีโอกาสที่จะตกภวังได้ง่ายก็คือพอลมหายใจเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปุ๊บหายไปเลยบางทีหายตกภวังหลับไปเลยก็มีนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเราเล่นของหยาบๆก่อนของใหญ่ๆก่อนก็คือกายเนี่ย ซึ่งตรงนี้ก็มีหลักฐานยืนยันอยู่ในพระไตรปิฎกนะในหมวดสัมปชัญญะบัพพะกับอริยบทบัพพะในหมวดกายนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีในพระไตรปิฎกหรือไม่มีที่พุทธเจ้าได้กล่าวถึงสำหรับคนที่อาจจะต้องการหลักฐานยืนยันนะทีนี้เมื่อเรารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันจะเห็นของห ย, ยาบๆก่อนก็คือกายที่เคลื่อนไหวมือที่เคลื่อนไหวแขนที่เคลื่อนไหว พอเราเห็นของหยาบๆ บ, บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีก ซ, ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยสติมันจะถูกพัฒนาขึ้นมันจะมีความจับไวขึ้นมันจะไปเห็นการเคลื่อนไหวที่เบาลงไปเช่นลมหายใจหรือการกระพริบตาการกืนน้ำลายซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจการที่ท้องมันพองมันยุบโดยไม่ต้องมีคำบริกรรมหรือแม้แต่ลมเนี่ยมัน พัดมาประทะผิวเราเนี่ยเออเรารู้สึกเย็นซึ่งตรงนี้เราก็ไม่เคยสนใจเสียงแมลงมันกรีดปีกร้องในเวลาค่ําคืนความเงียบสงัดเนี่ยตรงนี้และแ ม, ม้แต่เสียงเต้นของหัวใจนะอันนี้มันจะมันจะสัมผัสได้จากสติที่เราทําแล้วทําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกย้ําไปย้ํามาอันนี้มันจะเกิดขึ้นสติที่ที่มีการพัฒนามันจะ มันจะสัมผัสสิ่งที่ละเอียดอ่อนลงไปกลิ่นดอกไม้หอมในป่าเนี่ยมันมีกลิ่นอ่อนๆแต่ก่อนเราไม่เคยได้กลิ่นหรือแม้แต่กลิ่นบุรีเนี่ยถ้าใครอยู่ที่วัดป่าสุโกโตนเนี่ยถ้าสูบบุรีเนี่ยจะรู้เลยนะมันจะมากับลมเลยเพราะนี่ที่นี่อากาศมันบริสุทธิ์มากมีอะไรมีกลิ่นควันไฟกลิ่นบุรีมันจะมาเลยนะ หรือแม้แต่กลิ่นน้ำหอมนะบางคนนี่มาที่นี่กลัวกินตัวแรงใช้น้ำหอมนะซึ่งจริงๆเราถือสินแปดเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยนะน้ำหอมเนี่ยมันก็ได้กลิ่นเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสติที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะสัมผัสกับสิ่งที่ที่ที่ละเอียดอ่อนได้มากขึ้นจากจุดนี้นี่เองฮัลโหลวันนี้สงสัยมันจะไม่เป็นใจมั้งเนี่ยไมโครโฟน จากกายที่หยาบไปสู่กายที่ละเอียดแล้วมันก็จะเข้าไปสู่สิ่งที่ไม่มีตัวตนสิ่งที่ไม่มีตัวนตนแหละปวดเมื่อยใช่ไหมพอใจไม่พอใจใช่ไหมเกิดความรู้สึกอัลโาจากที่เราเห็นกายหยาบก็เป็นกายละเอียดนะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มไม่มีตัวตนที่มัน เป็นความปวดความเมื่อยความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจความไม่สุขไม่ทุกข์เออเนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปเห็นภาษาบาลีเรียกเวทนานะดูมันย้ำไปอีกทำมันอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้ํามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเอากายเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องจิตใจสำหรับคนเริ่มต้นใหม่นะ ดูตรงนี้ย้ำแล้วย้ำอีกพอมันแม่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันคิดแฝงเนี่ยมันเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยมันคิดปุ๊บไปกับมันเลยเช่นคิดถึงบ้านเนี่ยก็จะคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเรื่องที่บ้านคิดถึงอะไรต่างๆนานามันตามไปเป็นพัวนเลยแต่ถ้าสติเราไวเราชัดเนี่ยเอ้ยคิดแล้วมันรู้มันกลับมาได้มันกลับมาที่กายเคลื่อนไหวได้เอากายเนี่ยเป็นหลัก ตรงนี้แหะมันจะเกิดการปล่อยวางเองโดยธรรมชาติที่เขาบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางอะ่ะเราไม่ต้องไปบอกแล้วไม่ต้องไปคิดว่าปล่อยวางแล้วเพีย hmm. งแค่เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมันก็ปล่อยวางไปเองเนี่ยเราปล่อยวางความคิดปล่อยวางความสุขปล่อยวางความทุกข์เพราะมันปล่อยวางแล้วมันเกิดอะไรใจมันก็ปกติมันก็เฉยเฉยอะ่ะมันเฉยแบบรู้ด้วยนะมันตื่นรู้ขึ้นมาโหมีอย่างนี้ด้วยเนาะ มันจะสัมผัสกับความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่มันมีอยู่แล้วในจิตใจของเราเป็นความสุขที่มีโดยธรรมชาติที่เข้าให้มาอยู่แล้วและที่เราไม่เป็นโรคประสาทเราไม่บ้าเนี่ยก็เพราะใจปกติคนที่มันบ้ามันเป็นโรคประสาทเนี่ยเพราะมันไปคุ้นคิดมันไม่รู้เท่าทันความคิดคิดแล้วคิดอีกมันออกมาจากความคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาทําความรู้สึกตัวมาเจริญสตินะ มันจะออกมาจากความคิดได้นะตรงเนี้ยเมื่อเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตก็คือความคิดมันเป็นเงาของความของจิตเงาไอความคิดเนี่ยจิตเนี่ยเรามองไม่เห็นแ่อมันเร็วมากเราอาศัยดูความคิดนี่แหละเมื่อเห็นความคิดดูไปทำไปเรื่อยๆรู้สึกตัวคำว่าดูในที่นี้ไม่ได้ใช้ตาดูนะเราใช้ความรู้สึกเนี่ยเข้าไปสัมผัสแล้วการสัมผัสนี้ไม่ใชคิดเอานะมันสัมผัสตรงไปตรงมา เราก็จะเห็นธรรมชาติของกายของใจของเราที่มันจะแสดงมันจะปรากฏมันจะแปลเปลี่ยนมันจะแปลปวนมันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะไปบังคับบัญชามันได้เนี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่จะปรากฏที่จะแสดงนะให้เราได้เห็นหลังจากที่เราได้เจริญสติจากกายเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ใจดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเนี่ย มันจะเกิดการปล่อยวางเองโดยอัตโนมัติปล่อยวางเองโดยตามธรรมชาติแล้วตรงนี้นี่แหละนะมันจะได้ที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงก็คือใจปกติที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งข้างนอกไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไอ้นั่นมันเอามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นเองแล้วมันพึ่งไม่ได้ครับ แม้แต่คนใกล้ชิดเราก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันเช่นเวลาจะตายเนี่ยใครก็จะมาช่วยนอกจากสตินี่แหละมันจะมาช่วยใจปกตินี่แหละนะที่มันจะทำให้เราไม่ไม่ทุรนทุรายอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนท่านได้แสดงให้เราดูท่านป่วยแต่ท่านก็ปกติกายป่วยไปแต่ใจปกติวันก่อนที่อาจารย์ปลาโมทมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยนะ ที่ป่วยเนะี่ยมันกายของหลวงพ่อแต่ใจของหลวงพ่อปกติเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงกายท่านหรอกนะเรามาดูใจของเราให้ใจเราปกติท่านบอกให้ภาวนามากๆท่านบอกอย่างเงี้ยอาจารย์ประโมทเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ท่านจะกลับเนี่ยให้เอาหลวงพ่อเนี่ยเป็นแบบอย่างนะเราต้องทำให้ได้อย่างหลวงพ่อเลยอนะท่านก็พูดให้กับลังใจนะอันนี้เพราะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะ มันก็มีเป้าหมายชัดเจนเลยว่าเพื่อที่จะปลดเรื่องทุกข์ออกจากใจสภาพที่ทุกข์มันออกไปจากใจก็คือใจมันปกติมันไม่ทุกข์มันไม่สุขนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่เราไม่ได้สัมผัสมันไม่ได้รู้มันเพราะเราไปติดไปติดกับความสุขไงแล้วก็ไปเกลียดความทุกข์ไงมีคนเคยเขียนจดหมายไปถามอาจารย์ไพศาลนะว่าทํายังไงที่จะไม่ให้ทุกข ท่านบอกก็จะไปติดสุขสิอ้าวเออไม่ติดสุขมันก็ไม่ทุกข์อ่ะเราไปติดสุขใช่ไหมมันก็ทุกข์ก็ดีเพราะว่าสุขเนี่ยมันชั่วคราวเท่านั้นเองพอมันสุขหายมันก็ทุกข์อนะอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยได้จากการฝึกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยนะมันก็สุขสุขทุ ก, ท, กทุกอะ่ะชีวิตของเราก็เป็นอย่างเงี้ยปัญหารเราก็แก้ไม่ได้แล้วเราก็ไปโทษสิ่งข้างนอกนะอันนี้เป็นสิ่งที่ เจ็ดวันที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเราจะฝึกเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือพระที่จะบวชทั้งภรษาทั้งวิธีทำเรื่องนี้เรื่องเดียวจเจริญสติแล้ววิธีนี้เนี่ยทำอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยจเจริญสติบ่อยๆย้ำแล้วย้ำอีกทำแล้วทาอีกทีนี้นอกจากการฝึกในรูปแบบแล้วเนี่ยนะพยายามเก็บตกในกิจวัตรประจาวันตั้งแต่ตื่นยันหลับลเคยมี ยันไปศาลนี่แหละไปถามหลวงพ่อเทียนว่าจะฝึกเจริญสติเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคิดว่าเวลาราชาการเนตั้งแต่แปดโมงสี่มงเย็นใช่ไหมหลวงพ่อเทียนบอกตั้งแต่ตื่นยันหลับโอ้ตื่นยันหลับหมายก็ว่าเราต้องมานั่งยกมือสร้างจังหวัดเดินจงกรมตั้งแต่ตื่นยันหลับเหรอไม่ใช่หลวงพ่อบอกไม่ใช่ในรูปแบบเนี่ยเราก็ทําในกิจวัตรประจําวันเช่นเราตื่นนอนก็ให้รู้สึกตะว่าจะพลิก จะยกจะเคลื่อนตัวให้รู้สึกนะรู้สึกขึ้นมานะบางคนอาจจะยังไม่ลุกหลักหายใจให้มันรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นเรียกความรู้สึกตัวพลิกมือเล่นเปลี่งตัวไปมาหรือว่าแกงขาเล่นแกงขาเล่นก็ได้ให้รู้สึกตัวก่อนยังไม่ลุกพวดผ้า ท, ทีเดียวบางคนเป็นโรคความดันนะลุกพวดผ้าในความดันออกมาเลยนะอันตรายเดิน พับผ <unlucky S 2> ้าอก่อนที่จะเดินก็พับผ้าให้เรียบร้อยด้วยความรู้สึกตัวเดินไปเข้าห้องน้ําด้วยความรู้สึกตัวล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกตัวแปรงฟันด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนเราแปรงฟันเราคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมเออเนี่ยเรามาอยู่ที่การเคลื่อนไหวเี่เดินมาทําวัดเดินมาด้วยความรู้สึกตัวอย่าคุยกันยังกลุ่มพยาบาลเนี่ยมากันหลายคนเนี่ยนะพยายามอยากคุยกันเลยต่างคนต่างเดิน นะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่มันก็ขัดใจเหมือนกันนะเราเคยคุยกันหนระไม่ให้คุยกันไม่ห้ามนะแต่แนะนําว่ามาที่นี่เนี่ยพยายามใช้เวลาคุ้มค่าถ้าคุยกันเนี่ยนะมันหลุดไปละสติไม่มีละบางคนบอกอ้าวก็คุยยังมีสติไงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเริ่มต้นใหม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าไปเก่งขนาด น, นั้นถ้าเราเก่งแล้วค่อยใช้บางคนบอกคุยก็มีสติได้เนี่ยใช่ไหมอ่าตรงเนี้ย พยายามคุยให้น้อยมาที่นี่ระหว่างที่นั่งรอเนี่ยมีบางคนเห็นบางคนนั่งสร้างจังหวัดเนี่ยดีเลยทำเลยอย่าไปนั่งคุยกันเพราะนั่งคุยกันคุณเสียเวลาแล้วละมาที่นี่นะนั่งสร้างจังหวัดไม่มีใครก็ว่าเราแต่ไปอนอกอาจจะว่าวเราเฮ้ยเพี้ยนหรือเปล่าเพราะนั้นมาที่นี่เนี่ยใช้เวลาทุกเวลานาทีในรูปแบบนอกรูปแบบด้วยนะกินข้าว ถ่ายอุจจารปัสาวะด้วยความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเก็บตกเพราะฉะนั้นเราจะทําได้ตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบถ้าเราทําอย่างต่อนเนื่องเนี่ยมันจะเกิดผลความรู้สึกตัวมันจะตื่นถ้าเราทําบ้างไม่ทําบ้างมันขาดช่วงขาดตอนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหลวงป่อเทียนพูดไว้ชัดนะว่าถ้าเราจเจริญสติอย่างต่อนเนื่อง อย่างถูกต้องต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะท่านบอกให้เวลาอย่างนานสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันความทุกข์จะลดลงนะ น, นี่เป็นเป็นคำท้าทายของท่านนะนะแต่เพุ่งไปเชื่อพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเรามาอยู่เจ็ดวันเนี่ยลองดูใครที่เคยคุยกยนเก่งหยุดเอไว้ก่อนบอกให้เวลากับตัวเองฝึกขยนันเดินจงกรมขยันสร้างยัง่า นะแล้วก็พยายามเก็บตกในอิริยบทในกิจวัตรประจําวันกวาด้วยความรู้สึกตัวล้างห้องน้ําด้วยความรู้สึกตั ว, ว, ว, ร ต, วตรงนี้ตรงเนี้จะทําให้การฝึกของเราเนี่ยมันมีพัฒนาการและเราก็จะไม่เสียเวลาที่เรามาสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ยังดีอย่างพระนี่ถ้ามาอยู่หนึ่งพรรษาเนี่ยเอาไปเลยเก้าสิบวันนะลองพิสูจน์ดีไหที่หลวงพ่อเทียนพูดมันจริงไหมนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ แล้วโดยเฉพาะรูปแบบของพระเนี่ยนะมันเอื้อประโยชน์ให้มากเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องทํามากินไม่ต้องไปกังวลเรื่องกิจกรรมอะไรเลยและยิ่งที่วัดป่าสุกโตเราก็ไม่มีกิจกรรมอะไรมากนานๆก็มีสักทีมีร่วมกันทํานู่นทนํานี่ใช่ไหมเวลาที่เหลือเราก็เจริญสติที่นี่เนี่ยอาตมาเรียกว่าแดนอิสระไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรใครจะทำอะไรก็ทํา อันนี้คือเป็นนโยบายหลวงพ่อที่ให้เราเนี่ยใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองแล้วก็ดูแลตัวเราเองตรงเนี้เป็นจุดหนึ่งที่พระที่มาอยู่วัดป่าสุโกโตเนี่ยถ้าได้ใช้เวลาตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเรามาใช้ไปกิจกรรมอย่างอื่นนะมัวไปพูดไปคุยไปเฮฮาไปสันนาการกันเนี่ยโอ้โหเสียดายเวลามากๆเลยออันนี้ในส่วนของพระนะหรือในส่วนของโยมที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยะ แต่สำหรับเจ็ดวันที่มาเนี่ยก็พยายามใช้เวลาเนี่ยนะกับเรื่องนี้เต็มที่แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยนะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่สุขไม่สงบเหมือนอย่างไรที่เราคิดนะเบื้องต้นเบื้องต้นมันจะเจอแต่ความทุกข์ก่อนทุกทุกอะไรยกไปยกมาซ้ำสากซ้ำซากจำเจเบือ่อง่วง ฟุ้งซ่านพวกเนี้ยดูเลยพวกนี้จะเจอแต่ตรงนี้เนี่ยคือทางที่เราจะผ่านเป็นทางผ่านเพื่อผ่านไปถึงที่สุดของความง่วงความที่สุดของความง่วงคือความตื่นนะความฟุ้งซ่านเนี่ยเขามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้ฐานเขาอันเนี้่คือธรรมะธรรมชาติที่เขาจะแสดงแล้วมันจะเป็นตัวที่จะมาทดสอบกําลังของเราเพราะฉะนั้น เราจะไปไปฏิเสธเลยนะอันนี้คือธรรมะที่ให้มาเราเรียนธรรมะเบื้องต้นเลยเรียกว่าบทเรียนบทที่หนึ่งเลยความง่วงว่าด้วยความง่วงหน้าตาของความง่วงเป็นยังไงมีทางเดียวอดทนใจแข็งเดี๋ยวมันผ่านและผ่านแล้วมันสบายเลยนะโอ้ตาแจ้งเลยมันโล่งเลยนะแต่มันไม่ได้แจ้งทีเดียวเดี๋ยวมันมาอีกมันง่วงอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องยอมแพ้นะเพราะฉะนั้น มาฝึกกันเนี้ยอันแรกที่จะเจอคือทุกข์นี่ไงอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกข์แล้วพอผ่านทุกข์ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นเหตุแห่งทุกข์มันการก้าร่วงทุกข์ได้แล้วก็วิธีการแก้เครื่องมือเนี่ยก็คือกลับมารู้สึกตัวนี่คือสิ่งที่เราจะใช้และตัวนี้แหละหนะที่จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะให้เราผ่านทุกอารมณ์จะง่วงจะเบือ่อจะฟุ้งซ่านจะงุดหงิดงําคาญใช้ความรู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวตรงเนี้ยตัวผ่าน เป็นใบเบิกทางเป็นกุญแจเปิดประตูผ่านทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยจะเรียนรู้ทุกอารมณ์เลยนะพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญก็เรียกว่าลุยชีวิตด้วยจิตตื่นรู้นะลุยชีวิตด้วยจิตตื่นรู้ใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยลุยไปเลยอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ง่วงอารมณ์เบือ่อเบื้องหลังของความง่วงมันคือความตื่นแล้วมันตื่นขึ้นมาเนี่ย โอ้มันไปติดซาบซ่านเลยนะแต่อย่าไปติดมันอีกนะนี่มันมีอารมณ์แปลกๆออกมาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเฉยๆแม้แต่เฉยๆก็ให้รู้มาแล้วไม่ต้องไปสร้างจินตนาการว่าอ๋อมันจะต้องเฉยๆใช่ไหมไอ้นี่ก็จินตนาการคิดไปอีกละเพราะนั้นให้มันเป็นเองอย่าไปสร้างจินตนาการธรรมะไม่เหมือนอย่างที่เราคิดแต่เราพร้อมที่จะ เรียนรู้มันทุกทุกอารมณ์เป็นทางผ่านจารย์ไปสารท่านพูดเอาไว้อ่านหนังสือมาเล่มท่านบอกทุกคือทางผ่านไปสู่การพ้นทุกเรียกว่าเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นการมาฝึกเจริญสติไม่ว่าวิธีไหนจริงๆแล้วมันต้องผ่านผ่านตรงนี้ยผ่านอารมณ์ทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นบางคนแบบมามนต้องนั่งนิ่งๆหลับตาสบายเย็นนะไม่ต้องคิดอะไรให้นันน์ฝัน ฝันไปแล้วไม่ใช่ความจริงพอไม่ใช่ความจริงใช่ไหมเจออารมณ์อย่างนีโ้โหไม่ไหวแล้วว่าจะมาเจ็ดวันอาจารย์มีเหตุจะต้องกลับบ้านมาแก้สามวันไม่อยู่แล้วเ <c oughs> ขาเรียกว่ายานหอบเสือได้ยานวิญญาณยานหอบเสือเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้ทนนะอดทนมีความเพียรพยายามมีศรัทธาตะกี้นี้ที่เราสวดไปอ่ะนะ มีความศรัทธามีความเพียรแล้วเห็นเห็นธรรมบ่อยๆการเห็นธรรมก็คือเห็นเห็นความคิดเนี่ยเห็นการปล่อยวางมันคิดมาแล้วก็คิดไปความง่วงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะแล้วก็ปล่อยวางไปกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางคนบอกเป็นอุปสรรคเขาเรียกว่า น, นิวรณ์จริงๆไม่ใช่อุปสรรคนะเป็นอุปกรณ์ที่จะให้เราเรียนรู้ความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความหงุดหงิด ความไม่ได้อะไรดังใจทุกอย่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะให้เรามาเรียนรู้เพรา ะ, ะนั้นการเรียนรู้ธรรมะคือเนี่ยต ร, ต, รตรงเนี้ยตรงๆเลยไม่ต้องไปนึกไปฝันว่ามันจะเป็นเหมือนในพระไตรปิฎกเหมือนอย่างที่เราอ่านมาเหมือนที่เราเคยได้ยินมาทิ้งเง้หมดเลยเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านะให้กลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องมือนะเพราะฉะนั้นการมาวัดป่าสกุโ ต, โตเนี่ย นะถ้าเราตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ธรรมะธรรมะก็คือกายใจของเรานะที่มันแสดงมันปรากฏในแต่ละขณะแต่ละขณะให้เห็นความจริงของมันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันมีการเกิดการดับอย่างไรดูมันรู้มันโดยไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะความคิดทุกๆความคิดทิ้งให้หมดเลยนะคิดดีคิดไม่ดีทิ้งให้หม ด, ดหรือแม้แต่คิดจินตนาการจะวาดหวังว่าอนาคตจะเป็นยังไง ก็ทิง้งไปอดีตก็ทิ้งไปกลับมารู้สึกตัวเป็นสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้วิธีนี้เนี่ยจะตรงไปตรงมาไม่ยากยากตรงที่เราชอบใช้ความคิดเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันเจ็วันก็ดีสาวันก็ดีห้าวันก็ดีเกสิวันหรือตลอดชีวิตเลยก็ดีนะ น, นี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้แล้วมันก็จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ย พบกับสันติสุขในใจคือความเป็นปกติของใจคืนความสุขที่เป็นสันติให้กับชีวิตนะเดี๋ยวนี้ก็มีคืนความสุขให้กับประชาชนใชนะ่เราไม่ต้องไปรอลนะ้เนี่ยเราทำเลยคืนความสุขให้กับตัวเราเองด้วยความรู้สึกตัวนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ทำกันในเจ็วันนี้นเนาะแล้วก็คิดว่าพอสมควรพูดมา เนื่องจากเป็นคนใหม่ก็เลยพูดมากไปหน่อยแล้วก็คนเก่าก็คงจะฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกชนนั้นแหละเมื่อไรจะจบสักทีนะก็อขออนุโมทนานะทุกท่านนะที่มาที่วัดป่าสุกโตแล้วก็มีความตั้งใจนะจะมาฝึกเจริญสตินะเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตนะก็คือความไม่สุขไม่ทุกข์ความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วนะ ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะที่ได้จากการฝึกฝนนั่นเองนะด้วยความเพียรความพยายามความอดทนของพวกเราความศรัทธาที่มีอยู่นะมีความตั้งใจมีสติปัญญานะให้เป็นปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนะได้เข้าถึงที่สุดแห่งทุก <c oughs> นะั่นะก็คือความเป็นปกติของใจได้บ่อย ในเร็ววันนี้โดยจู่หน้ากันเทือนเจริญพร